สองโกศิยวัคเจ็ดเอละกะโรมะโทวาปะนะสิกขาบทว่าด้วยการให้สักขนเจียมเรื่องพระชัพะคีสมัยนั้นห้าร้อยเจ็ดสิบหกสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณ น, นิโคทารามเขตกรุงกบิลพัแ์แควนสักกะครั้งนั้นพวกภิสูุชัพพะคี ใช้พวกภิกษุณีให้ซักบ้างให้ย้อมบ้างสางบ้างซึ่งขนเจียมพวกภิกษุณีซักย้อมสางซึ่งขนเจียมจึงละเลยอุเทศปริปุชฉาอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาสมัยนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทแล้วประทับ ย, ยืนณที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ยืนอยู่ว่าโคตมีพวกภิกษุณีไม่ประมาทยังมีความเพียรมีความมุ่งมั่นอยู่หรือพระนางกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุณีทั้งหลายจะมีความไม่ประมาทแต่ที่ไหนพวกภิกษุชาวพคีใช้พวกภิกษุณีให้ซักบ้างให้ยอมบ้างให้สางบ้างซึ่งขนเจียมพวกภิกษุณีนั้นซักยอมสางซึ่งขนเจียม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 ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกฐาแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไป